มรดกความจนสอนใจให้เป็นคนสู้อดทนเรียนรู้เติบโตพร้อมวันเวลาเป็นคนหนุ่มคนฝันชีวิตมีคุณค่าแต่ใครจะรู้ความต้องการของฝาดิน แทนคาร่างกายเป็นกำลังกลับไรพลังโรยอ่อนแรงทุกกายทุกใจฝ้าดินกลันแกล้งแต่กลับเป็นทางพบแสงตะวันแห่งธรรม จะรู้ใจรู้สึกความเคลื่อนไหวของกายใจลาออกจากความทุกข์ความคิดทีู่มิฝายจิตใจสดใสแม้กายพิการ ดินคงยังอยากจะวัดใจแค่พิการร่างกายยังไม่พอให้มาเร็งร้ายกินร่างกายต่อแต่ใจไม่ท้อไม่เคยยอมจำนน งเคลื่อนไหวของกายใจลาออกจากความทุกข์ที่ทมทับเรือนกายจะยิ้มตายด้วยใจเบิกบาน ชีวิตอุทิศใจกายวาจาพึ่งทำนำทางทำให้ดูอยู่ให้เห็นรูปนามชีวิตในร้อนมีเย็นใช้ชีวิตเป็นอุปกรณ์ซ้อนทำ ใช้ชีวิตเป็นอุปกรณ์ซ้อนทำ